แต่สสำหรับเรื่องนี้มีเรื่องส่วนตัวอยู <affordable communist. S 1> er ่หน่อยหนึ่งเมื่อสมัยก่อนจะเข้าวัดก็ได้ฉายาว่าขวดแม่ขงเดินได้เขามือกันก็มาเลิกได้เพราะมีสองสามสาเหตุมากระทบกันติดๆกันในเวลาไล่เลี่ยกันคือมีอยู่คราวหนึ่งเป็นวันเกิดของอาจารย์ที่สอนในมหาวิไลนั่นแ่ะ ก็เพื่อนๆก็มาพร้อมหน้ากันในวันเกิดของครูบาอาจารย์นี่ก็กินข้าวกินปลาก็มีเลี้ยงเล่ากันตามธรรมเนียมของคนพานแต่ว่าท่านอาจารย์ฮะาอายุมากแล้วท่านกินเหล้าไปได้สองสามอึกท่านก็เลยเมาพับไปซะสิเห็นอาจารย์เมาแล้วเราก็เลยจะกลับกันแต่ว่ามันยังคุยกันสนุกก็บอกแล้วกินเหล้ากันเล่ า, เ, ลาเรื่องยิ่งเล่าเรื่องยิ่งเปลืองเหล้า เ, เพื่อนก็บอกว่าเอายี้เถอะ ไปเลี้ยงต่อกันที่ที่บาร์ไหนก็ได้แล้วเจ้าคนหนึ่งก็เสนอแนะมาน้่นไปที่บาร์ลิโด น, นลิโดนนในคับแถวประตูน้ำนั่นอ่ะไปก็ไปก็ถึงคราวมันจะหมดเวนรน่ะแหละแต่หมดเวรอีแบบนี้ไม่ค่อยจะดี <c oughs> ก็ไปนั่งกินเหล้ากันห้าหกคนเลยกันพอประมาณสักห้าทุ่มเศจเศษ ก็โตข้างเคียงเขาก็ล้วนลามพวกพาร์ทเนอร์ที่ในในในบ้าร์ในครับนั่นละ่ะพาร์ทเนอร์น่ะเขาก็ลุกหนีมาแล้วก็มันนั่งที่โต๊ะที่อัตมา ก, กับพวกพวกนั่งอยู่อะนั่งก็นั่งไปก็ไม่ว่ากันเราก็คุยกันเฮเฮเรื่องมันไม่จบแค่นี้สพอสักปีหนึ่งบาร์ปิดอืโต๊ะน้องเขาก็ลุกขึ้นเขาก็พูดเพราะดีเหมือนกัน ถ้าบอกว่าอย่างนี้ไอ้ผมนี่มันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้คืนไหนไม่ได้เตะคนนอนไม่ใคยหลับ <c oughs> เอาละสิไอ้เพื่อนที่ไปด้วยมันก็ดีแสนจะดีมันก็ลุกขึ้นรับเลยเหมือนกันเลยผมนี่คือไหนไม่โดนเตะก็นอนไม่หลับเออเอาละสิเออห้ามก็ไม่อยู่มันก็ตีกันนั่นแหละ อตีกันตายตีกันมามันไปแต่กันก็ต้องช่วยกันตีกว่าจะออกมาจากบาได้หูตาหัวก็นุ่มเป็นลูกมะกรูดตาเตอกับปูดไปตำตากันแล้วทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่ได้ไปหาเรื่องเลยแต่เรื่องมันก็สามารถมาหาได้เหมือนกันเพราะไอ้เล er ่าน so ี่แหละอนั <him and> <Hardy> ่นคราวน พอสั่งเมาก็คิดนะให้เราถ้าจะถึงคราวแล้วเลิกเหล้าเถอะก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วมากระทบเหตุที่สองคือหลังจากนั้นไม่กี่วันมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องเขาก็มาชวนอีกละพี่ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าที่บ้านปากเกล็ดเันเถอะเด็กพวกนั้นน่าสงสารอะไปก็ไป ก็เอาขนมนมเนยไปเอาตุ๊กตาไปเสื้อผ้าไปไปฝากเด็กก็ไม่รู้ว uh ่าเด็กมีเท uh ่าไหร่ก็ซื้อติดมือติดไม้กันไปพอไปถึงเข้าเออมันไปได้ความสังเวชได้ความสลดใจขึ้นมาอีกคือพอไปถึงแล้วเนี่ยไปเจอเด็กสมขวบสี่ขวบเนี่ยเป็นร้อยๆเขาบอกว่ามีสามรอยหรือสี่ร้อยจำไม่ได้เจ้าเด็กๆพวกนี้ก็ไปกันหลายคนเหมือนกัน พวกนิสิตเรืงศึกษาไปกันหลายคนเด็กๆพวกนี้เนี่ยเจอนิสิตหญิงก็เรียกแม่แล้วมันก็มาตะแกรงตะกายกันให้อุ้มนิสิตชายก็พ่อแล้วก็มาตะกายให้อุ้มเด็กเป็นร้อยๆมาตะกายโยเยโยเ ย, ย, เ ย, ยก็ลูกลิงนั่นแหละเอาให้อุ้มอุ้มก็อุ้มที่นี่ถึงเวลาอาหาร เรามีขนมมีอาหารไปก็แจกเด็กกันแต่ว่าสถานเริ่มสถานใจคือไม่ใช่ว่าที่สถานนั้นเขาดูแลไม่ดีเขาก็ดูแลดีแต่ว่ามันจะให้ทั่วถึงจริงๆมันไม่ทั่วหรอกอย่าว่าแต่ว่ามีเด็กเป็นร้อยๆมาอยู่รวมกันแม้แต่เราเนี่ยคุณแม่ก็มีลูกคือพวกเราทีละคนอย่างมากก็แฝดสองคนอย่างนั้นพี่ๆน้องๆยังไม่ไวายบางมื้อได้ขนมถูกใจแต่มันมีน้อยหน่อยยังไม่ไวายแย่งกันเลย แต่ว่ามันเป็นครั้งเป็นคราวส่วนเด็กพวกนี้มาอย่างนั้นมันแย่งกันเป็นประจำเพราะถึงมืออาหารเนี่ยมันแย่งกันกินเรื่องกระหมูกระหมาลระขออภัยมันแย่งกันเพราะพี่เลี้ยงสิบคนไม่ถึงยี่สิบคนแค่สิบคนนี่ดูแลเด็กเป็นร้อยดูเข้าไปไงมันก็แย่งกันกินแล้วมันเห็นเลยว่าในความรู้สึกมองดูแล้วเด็กเหล่านี้มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้ว่าไอ้รอบๆตัวเขาเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ย เขามีศัตรูเป็นร้อยๆคอยมาแย่งอาหารกินตรงข้ามกับพวกเรานะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาพอกินข้าวอิ่มแล้วมีของเล่นกันวุ้ยที่ไปตามเพื่อนๆมามาเล่นกันมีความรู้สึกว่าเด็กที่อายุวัยเดียวกับเรารอบๆ บ, บ้านนั่นคือเพื่อนของเราแล้วอยากได้เยอะๆทำไมจึงมีความรู้สึกว่าเพื่อนของเราอ๋อเพราะว่าท้องมันอิ่มละอยากจะได้เพื่อนเล่นแต่เด็กพวกนี้ไม่ใช่ ถึงเวลามันแย่งกันกินมีความรู้สึกว่ามันเกิดมาพร้อมกับมีศัตรูเป็นร้อยๆนี่มองโลกกลับตลปัดกับเรานะ่ะอ้าวกินข้าวเสร็จแล้วเอาเสื้อผ้าที่มามีอที่ซื้อไปล่ะเอาให้เขาให้กับผู้ดูแลผู้ ด, ดูแลเขาก็เอาใจใเรานั่นแหละอ้าวไอ้เจ้าเด็กคนไหนเสื้อผ้ามันเก่ามันปอนนะเขาก็เปลี่ยนให้เอาใหม่ๆ ม, มาให้ใส่ไอ้ที่ยังกลางเก่ากลางใหม่เขาเอาไว้ก่อนเขาก็ไม่เปลี่ยนให้เท่านั้นละเกิดเรื่อง อาจจะเด็กบางคนของมันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันกลางเก่ากลางใหม่มันไปคว้าได้จากตัวและฉีกเลยถึงกันะถึงไอ้บางคนกัดจับปกไอ้บางคนกัดจับคอดึงไปดึงมาขาดฉิบเขาแกก็อยากจะได้ใหม่ๆเหมือนกันดูแล้วโอ้จิตใจเด็กนี่แย่ซะแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้ยังไม่พอเอาตุ๊ ก, กตาไปแจกแต่มันน้อยไปหน่อยเราไม่รู้ว่าเด็กมีเท่าไหร่ ไอ้คนหนึ่งคว้าคอไอ้คนหนึ่งคว้าขาคนหนึ่งคว้าแขนดึงพลุดได้คนละชิ้น <c oughs> เออก็เลยถามเขาถามผู้ดูแลที่นั่นแล้วว่า เ, เด็กพ่อพวกนี้นะพ่อแม่เป็นใครเขาก็ตอบชัดดีแม่มันเลอเอออยู่บา้าอยู่ครับมั่งอยู่ซ่องมั่งอยู่สลามมั่งบางทีก็เป็นนิสิตนักศึกษาก็มีเหมือนกันเขาก็ตอบ่านี้พ่อมันน่ะเลอ เขาหันควับมาเชียรชี้หน้ากราดมาทั้งพวกนี้สิชายบก็พวกคุณนะสิ <laughs> ไปเดินดูให้ทั่วนะไอคนไหนหน้าเหมือนคุณเอาปกลับไปเรียงที่บ้า น, าานามั่งเออเขาชี้หน้าเอาอย่างนี้แหละมันก็ใจแปล้กันตั้งกันเออไม่รู้ไอตอนเมาเมามาสมัยโน้นมีลูกหลงตกอยู่แถวนี้มังหรือเปล่าเนี่ย คิดแล้วก็เศร้าใจตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยไม่เอาล่ะเลิกกินเหล้าเถอะเราแล้วก็ทำให้นึกถึงพ่อนะนึกถึงโยมพ่อมากที่สุดในวันนั้นเออเมื่อครั้งเราเด็กๆสมัยนั้นอาตมาเกิดในสมัยสงครามภาวะออข้าวยากมากแพงมีทั่วประเทศไทย อดแต่ว่าอดอยากยากจนยังไงก็ตามโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ทิ้งประครับประคองมาอย่างดีอดอยากยากจนงไงไม่ทิ้งลูกแล้วก็อ่ส่งมาให้จนทั้ง จ, จบการศึกษาอย่างเงี้ยนึกถึงพ่อมากเลยเออไปเลี้ยงเด็กวันนั้น่ะได้ข้อคิดมาสองอย่างอย่างหนึ่งไอ้เรื่องเล่านี่ไม่ดีเลยอีกอย่างหนึ่งรักพ่อขึ้นมาอีกเยอะเลย ว่าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบไม่ทาทิ้งทิงคว่างๆเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งต่างๆก็หลุดไปจากใจมันได้ย้อนกลับมาอีกเลยนี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมีนิทานประกอบอีกเรื่องหนึ่งอมินเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมี อาจารหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกมหาเศรษฐีเราก็พ่อก็ไปข อ, อ, อสาวมาแต่งงานฮะขอลูกสะภ้ายมาลูกสะภ้ายก็เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีเหมือนกันทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยพอพ่อแม่ตายไปแล้วทิ้งสมบัติเอาไว้ไม่มากเอาไว้ให้คนละแปดร้อยล้านน้อยมาหลยะ ฝ่ายพ่ อ, อ, อพ่อของผู้ชายเขาสมบัติทิ้งไว้แปดร้อยล้านพ่อแม่ของผู้หญิงก็สมบัติทิ้งไว้อีกแปดร้อยล้านเป็นพันหกร้อยล้านดูแล้วชาตินี้ไม่มีทางใช้หมดเลยทีนี้อยู่มาวันหนึ่งไอ้ขี้เมาเมืองนั้นน่ะมันไม่มีตังค์ซื้อซื้อเหล้ากินมันก็ค่อยๆมาประจบมาหลอกหลอก่ลอกล่ อ, ลอจนกระทั่ง ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ลูกเศรษฐีนี่ทดลองกินเหล้าตามมันบ้างพาอกินเข้าไปเลยติดอกติดใจ <wizard>. เอี่ยเหล้านี่ดีรู้อย่างงี้กินได้ตั้งแต่เด็กแล้วอาเสร็จแล้วต่อมาต่อมาเลยกลายเป็นขี้เหล้าไปแล้วก็ความที่ใจกว้างไม่เคยหาทรัพย์มาเองพ่อแม่หาทิ้งเอาไว้ให้ก็เลยใช้ทรัพย์อิรุ่ยฉุยแฉก ต่อมาไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติหมดตัวแล้วก็เลยกลายเป็นขอทานกองเมืองนั้นไปวันนั้นพระพุทธเจ้าบินทบาดมากับพระอานนท์เห็นเข้าเห็นสองคนผัวเมียนี่ขอเอเที่ยวขอทานอยู่พระพุทธเจ้าก็ชี้ให้ดูบอกว่าเนี่ยชายหนุ่มคนนี้เออ่ขอทานผู้ชายคนนี้ถ้าเข้าวัดอืมถ้าเข้าวัดสองคนผัวเมีย ตั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่ฝ่ายชายจะได้เป็นพระอรหันต์พระบุญที่ทำมาเดิมไว้ไม่น้อยเลยเมื่อกันฝ่ายชายจะได้เป็นพระอรหันต์ฝ่ายหญิงอย่างน้อยจะได้เป็นพระอนาคามีหรือถ้าไม่เข้าวัดจะตั้งใจทามาหากินจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองนี้หรือทำไมอย่างนั้นเข้าวัดเมื่ออายุกลางคนคือประมาณอายุ 30, 30, 30เออสามสิบสสิบสามสิบเศษเศษกลางคนฝ่ายชายอย่างน้อยจะได้เป็นพระอนาคามีฝ่ายหญิงอย่างน้อยจะได้เป็นพระสะกีทาคามีหรือถ้าอยู่ทางโลกตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่ติดเหล้าติดยาเสพติดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นเศรษฐีอันดับสองของเมือง หรือว่าตอนตอนปัดฉิมวัยคืออายุประมาณสักสี่สิบห้าห้าสิบเข้าวัดอย่างน้อยฝ่ายชายจะได้เป็นพระสกิทาขาฝ่ายหญิงจะได้เป็นพระโสดาบันหรือถ้าอยู่ทางโลกอย่างน้อยจะได้เป็นเศรษฐีอันดับสามของเมืองนี้ แต่ว่าบัตรนี้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาหมดแล้วเลยปัะชินเ ม, มวัยเข้าไปแล้วรับสมบัติหมดแล้วเพราะฉะนั้นได้อย่างเดียวได้เป็นขอทานอันดับหนึ่งของเมืองนี้หมดก็เรื่องนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่ชอบพูดว่าไอาย้ยางเร้าปล่อยตามดวงดวงอะไรดวงบ้าดวงบอที่ไหนกันปล่อยตามความโง่สิ ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ชีวิตนี้ต้องประคับประคองให้ดีประคับประคองไม่ประมาทตั้งใจทำความดีไปอยู่ทางโลกก็ตั้งใจทำความดีทางโลกอยู่ทางธรรมตั้งใจทำความดีทางธรรมถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็จึงจะใช้ได้นี่ดูสิทางโลกก็ไม่เอาทางธรรมก็ไม่เอาแทนที่จะเป็นพระอรหันต์แทนที่จะเป็นเศรษฐมหาเศรษฐีเปล่าเป็นได้แค่ขอทานเพราะว่าปล่อยตามดวงอย่างนี้หละ ฝากไปเลยนะใครมีญาติพี่น้องอชนิดปล่อยตามดวงแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วหรือตัวเราเองชอบปล่อยตามดวงเออนั่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็คงวันไหนขยันก็นั่งสมาธิวันไหนขี้เกียจก็ตะเอาไว้ก่อนปล่อยมันตามดวงได้เมื่อไรช่างมั น, มนเอ้ดวงพันนี้ดวงขี้เกียจ อ, อีกหลายชาติล้วก็อย่างนี้แหละค่ะไปไม่รอด เกิดมาเป็นชาวพุทธเป็นเรื่องของคนฝืนดวงอืมต้องฝืนฝืนดวงไรฝืนดวงบาปฝืสร้างดวงบุญเอาไว้เยอะๆฝืนดวงขี้เกียจสร้างดวงขยันเอออย่างงี้ใช้ได้ดูตัวอย่างอย่างพระองค์คลิมาถ้าปล่อยตามดวงนั่นก็เป็นโจรไปตลอดชีวิตวันหนึ่งก็ถูกเขาฆ่าตายแนๆ่ๆแต่ว่าท่านฝืนดวงนะพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ฝืนดวง ฝืนยังไงล่ะเออเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ก็ฝืน้าเรื่อการรักษาศีลทั้งงไงล่ะเคยโทสะไว้เท่าไรดุร้ายเท่าไรก็มาฝึกสมาธิสิืมแล้วก็ศึกษาธรรมะไปพูด ง, ง่ายๆฝืนด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วก็เลยได้มาเป็นพระอระหันต์หรือ ว, ว่าถ้าเป็นชาวโลก จะฝืนดวงได้ไม่ได้ฝืนยังไงล่ะฝืนโดยทานศีลภาวนาของเราไปฝืนอย่างนี้ไม่ช้ามรรคผลนิพพานก็จะได้กับเราตามส่วนอีกเมือนกันปล่อยตามดวงภาษาคนโง่อย่าไปพูดกันเลิกเหล่าชาววัดฉลาดแล้วไม่เอาที่นี้นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีตรารบเรื่องหลาน มีวันหนึ่งคือท่านอนาณาธรรมบินทิกาเศรษฐีเนี่ยท่านก็นเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาชเป็นกองสเสบียงอย่างดีใช่พระพุทธเจ้าเอา่ออาณาธรรบินทิกาเศรษฐีสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ พระพุทธเจ้ามาจําำรรษาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดท่้งท่า น, นเป็นอยู่ตั้งนานการเผยแพร่ธรรมะเป็นหลักใหญ่เขาอยู่ที่ที่วัดของอนนาธบินติกะเศรษฐีเนี่ยวัดเชตวันน่ะแล้วอนนาธบินติกะเศรษฐีเนี่ยมีลูกเยอะมีหลานเยอะลูกหลานแต่และคนส่วนมากก็ดีๆทั้งนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลานชายขี้เมาเกิดเข้ามาในสกุลคนหนึ่งเหมือนกัน ไอหลานคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่พ่อมันจะตายพ่อแม่จะตายทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ไม่น้อยเหมือนกันทิ้งเอาไว้สี่ร้อยล้านไม่น้อยหน่อยแต่ไอหลานคนนี้ก็ผลาญซะจนหมดหมดแล้วก็มาขอเงินจากท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเพื่อจะไปทําทุนให้มันปลายแทนที่จะทําทุนค้าขายเปล่าแล้วไปเป็นทุนซื้อเหล้ากินต่อไปอีก มาขอถึงสามครั้งท่านก็ให้ไปสามครั้งแต่ว่าแล้วมันก็ไปพลานได้เหล้าหมดตั้งแต่นั้นมาท่านเลยไม่ให้อีกแล้วปรากฏว่าเจ้าหลานคนนี้ก็เลยไปเป็นขอทานแล้วก็ตายแบบตายข้างถนนก็เลยท่านเลยเอาเรื่องนี้มาปรารบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าทันอาณาทบินติกะเศรษฐี อย่าว่าแต่เอาเงินเอาทองไปให้มันเลยเราเนี่ยพระองค์เนี่ยในอดีตชาติเคยช่วยไอ้ขี้เมามาแล้วแต่ช่วยไม่สําเร็จให้มันยิ่งกว่าเงินกว่าทองอีกแล้วพระองค์ก็ตรัสเรื่องในอดีตให้ฟังว่าพบในอดีตมีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์เป็นเศรษฐีเกิดเป็นเศรษฐีตั้งใจทําบุญทําทานอย่างดีใช่ ตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจทำบุญทำทานพอละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์เราก็ก่อนจะตายนั่นแหละรวบรวมทรัพย์ไว้ได้หลายร้อยล้านเหมือนกันก็มอบให้กับลูกชายคนโปรดเอาไว้แต่ว่าเจ้าลูกชายพ่ อ, พ อ, พอตายไปแล้วกินเหล้าผลานจนหมดเหมือนกันเรียนเป็นขอทาน พระองค์ในฐานะที่เป็นพ่อแม่จะละโลกไปแล้วเป็นพระอินทร์แล้วก็ตามอดสงสารลูกไม่ได้ก็เลยเสกหม้อวิเศษมาให้ใบเจ้าหม้อวิเศษใบนี้นี่พระองค์บอกว่าด้วยบุญของพระองค์เนี่ยที่ทํามันดีแล้วให้ทานมาเต็มที่เนี่ยก็ทิฏฐานว่าหม้อพิเศษใบเนี้ว่าถ้าลูกชายของตัวเองปราถนาอะไรละ่ะ ให้มันได้มาสมใจนึกปรารถนาเงินทองเข้าของสิ่งใดก็ก็ให้ได้สมใจนึกแล้วก็มอบให้กับลูกชายเอาไว้ไอ้ลูกชายขี้เมาแล้วสั่งไว้ได้วยนะลูกเอ้ยอยากจะได้อะไรก็อธิษฐา น, นแต่ระวังนะถ้าม่อแตกเมื่อไหร่ก็สมบัติมันก็จะไม่มาอีกล่ะให้ระวังให้ดีไอ้ลูกชายขี้เมาก็รับคําอย่างดีใช่ไว่าจะรักษาไอ้ม่อใบนี้ตลอดเออยยิ่งกว่าชีวิตปากมันว่าอย่างนั้น พอพระอินทร์ผู้เป็นพ่อไปแล้วมันก็อธิษฐานอย่างดีเลยนึกว่าจะเอาอะไรเอาเหล้าเอื้อจากหม้อนั่นแหละอะไรไม่เอาเอาเหล้าพอกินเหล้าเมาเข้าไปชักขนองทําไงละ่ะเอาหม้อไปโยนเล่นโยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับมันเมาจัดไปตกเพลงหม้อแตก เลยวันหลังจะอธิษฐานอะไรไม่มาอีกแล้วหมดก็เลยในที่สุดก็อดตายอันนี้เี๋ยวพระองค์บอกว่านี่ขนาดให้มอวิเศษนะนะให้มันน่ะมันศักดิ์สิทธิ์มันวิเศษกว่าทรัพย์สมบัติอีกคนขี้เมาอย่างรักษาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสัมมาหาอะไรกับท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเอาเงินเอาทองให้ให้ใหใหใหไอ้หลานขี้เมามันรักษาไม่ได้รอกวไปการ มันต้องไปตามตามแรงบาปเพราะมันอย่างนั้นช่วยอะไรมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับพวกเราว่าวันหน้าวันหลังจะช่วยเหลือจะสงเคราะห์ใครจะดูด้วยถ้าสงเคราะห์ไอ้ขี้เมาล้วก็นะปวยการอาตมาเองเมื่อก่อนจะมาเจอนิทานเรื่องเหล่านี้ไม่เข้าใจ ได้ทดลองทำมาแล้วแล้วป่วยการจริงๆสมัยที่ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อกันละก็มีความสงสารพวกกรรมกรพวกกรมกรมกรในโรงงานนั้นมากใช่ว่าเออค่าแรงมันก็ต่ำอยู่แล้วค่าครองชีพมันก็สูงสงสารมากก็พยายามดิ้นรนไปขอค่าสวัสดิการอะไรต่างๆนานาจากฝ่ายนายจ้างเขาละฝ่ายนายทุนเขา ซึ่งแน่นอนฝ่ายในทุนเขาก็ไม่อยากจะจ่ายนะแต่ว่าเอาโดยเหตุโดยผลเขาก็ยอมจ่ายให้มาอาตมาก็เมื่อไปไปลินไปร้นมากเข้าก็ฝ่ายในจ้างเขาก็ไม่ค่อยจะชอบหนะ้าอาตมานะก็อ่ะเป็นศัตรูก็เป็นกันเพราะสงสารไอ้เจ้าพวกลูกน้องเหล่านี้แต่ว่าเอา่อแล้วก็คิดว่าเอาหนะ้าเมื่อสวัสดิการเมื่ออะไรต่ออะไรมันดีขึ้นแล้วไอ้เจ้าลูกน้องเหล่านี้มันก็คงจะทํางานให้คุ้มเองแะ่ะ แต่ว่ามันกลับตลปัดกันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะค่าสวัสดิการดีาการเงินเพิ่มขึ้นงานกลับเลวลงเพราะพอเงินเพิ่มขึ้นมันเลยมีค่าเล้าเพิ่มขึ้นแล้วเลยมันเมาหนักมาถึงที่ทำงานมาถึงแทนที่จะทำงานมานั่งหลับในที่ทำงานช่ชินทางฝ่ายนายจ้างเขาก็เลยเล่นงานอัตมาหนักหน่อยก็เป็น เหตุหนึ่งทำให้เบื่อทาให้เบื่อมนุษย์ว่เออไอเจ้าพวกขี้เมานี่เราช่วยแล้วไม่ได้เกิดผลตามที่เราคิดเลยเพิ่มเงินขึ้นไปแล้วแทนที่งานจะดีเปล่างานกลับเร็วลงนี่เคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับพวกเราด้วจะอุปการะใครล้วก็ก่อนอื่นให้เลิกเหล่าซะก่อน นอกจากเหล้าแล้วเอาบายามุกอย่างอื่นก็เช่นกันถ้ามันยังกินเหล้ามันยังเจ้าชู้มันยังเล่นไพ่เล่นการพนันอยู่ป่วยการไปส่งเสริมมันมีเท่าไหร่ก็วอดหมดพระพุทธเจ้าให้หมอวิเศษยังวอดซะเลยให้พวกนี้เราจะมีอะไรให้มันหนักหนาวอดหมดจะไปให้มันโบราณอะอย่าว่าแต่อุปการะคนอื่นแม้แต่ลูกเต่าของตัวเองไอคนไหน จมอยู่ในอบายามุข ค, คนไหนขี่เมาอย่างนี้มีสมบัติพ่อแม่เขายังไม่ให้เลยเขาบอกไม่ให้หรอกให้แล้วมันก็พลานหมดฉันกว่าจะสร้างมาลาบากยากเย็นเอาไปให้มันผลานทําไมฉันมาทําบุญทําทานซะดีกว่าเลอะขนาดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันยังยังต้องตัดใจไม่ไม่อุปการะเลยต้องตัดใจไปในเมื่อมันไม่รักดีอันนี้ก็ขอฝากข้อคิดเห็นอันนี้ไว้ด้วยเพราะได้เจอมากับตัวเองแล้ว เดาหรู้สึกสู้อุตสาหนะขัดอกขัดใจกันในทุนเท่าไหร่เขาจะยอมละสงสารเขาแต่ปล่าผลไม่ไมออกมาอยังคิดเลยได้ศัตรูมาเต็มที่เลยอืมเป็นอย่างนี้แหละขี้เมาไม่ดีอย่างนี้โบราณท่านบอกไว้อย่างนี้ขโมยขึ้นบ้านเจ็ดครั้งยังดีกว่าไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่ง ก็ขโมยขึ้นบ้านเจ็ดครั้งเนี่ยขึ้นเท่าไรเท่าไหรก็ตามมันต้องเหลือบ้านเอาไว้ให้เราอยู่แต่ว่าถ้าไฟไหม้บ้านสักครั้งหนึ่งนี่บ้านก็ไม่เหลือผ้าขี้ริ้วสักผืนก็ไม่เหลือแต่ก็ยังดียังดีกว่ามีผัวมีเมียเป็นไอ้ขี้เมากับไอ้นักการพ น, นันไอ้ขี้เมาไอ้นักการพนันนี่ไอ้ขี้เมานักการพ น, นันไอ้นักการพนันนี่ มันเล่นไพ่คืนเดียวล่ะเหมาะเหมาะท่าเข้าไฟไหม้น่ะยังมีที่อยู่บ้านน่ะวอดไปแล้วแต่ที่ดินยังอยู่แต่การพนั้ น, น่ะที่ดินก็วอดตามไปด้วยเอาไปจำนองจำนำหมดไอ้ขี้เมาเขาพอพอกันนั่นหมดเดี๋ยวว่าไปจำนองจำนำเ อ, เ, อเอาเอาที่ดินใส่ขวดเหล้าหมดน่ะมันมีนิทาน ของคนจีนอยู่บอกว่ามีาตะแปะแก่คนหนึ่งแกชอบสูบฟินชอบกินเหล้าลูกเต้าห้ามยังไงก็ไม่เชื่อไล่นามีเท่าไหร่แกเอาไปขายกินเหล้ามั้งสูบยาฟินซะมัง้งหมด วันนั้นไอ้ลูกชายมันทํางานมาเหนื่อยๆเอ๊จะทําไงให้เตียได้คิดมันเลยไปเอาไห้มาใบหนึ่งเอาไหา้มาใบหนึ่งแล้วเอาเชือกไปผูกงูไว้อย่างดีจะเอาไหา้ไปวางไว้ต่อหน้างัวแล้วมันก็เอาไมา้ตีเมันจตีให้งัวมุดเข้าไปในไห้ให้ได้แล้วตัวไห้ใบนี้ิหนึ่งงวตัวเบลเลอร์ม่จะตีงัวให้มุดเข้าไห้ให้ได้ เตีย่ยมาเห็นเขาก็ดา่าไอ้ลูกชายไอ้ตีจะบ้าหรื อ, อยังไงเนี่ยมติควายมันตัวงวัวมันตัวเบลอตีให้มันเข้าไปในหายตีเข้าไปยังไงไอ้ลูกชายก็หันมาพูด ก, กับเตี่ยก็แล้วทีเตี่ยล่ะที่ทดินตั้งเยอะยังตีเข้าขวดเหล้าไปจนหมดเลย <laughs> ยังใส่ขวดเหล้าซะจนหมดงั้นไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้มันต้องเข้าหายได้เตีย่ยเลยได้คิดเออ เราเนี่ทำไม่ถูกว่าไอ้ลูกชายมันจะบ้าเรานี่บ้ากว่าลูกอีกที่น้ำมีเท่าไหร่ที่ไร่มี่เท่าไหร่เอาไปใส่ขวดเหล้าซะจนหมดคิดได้อย่างงั้น เ, เตี่ยก็เลยเลิกเหล้าเลิกฟินซะอันนี้ก็เป็นนิทานโบราณของของจีนเขานะทีนี้ก็เลยมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันว่าถ้าเราเราเป็นคนติดเหล้าอยู่แล้วเนี่ยจะแก้อย่างไง วิธีจะเลิกเหล้าเนี่ยก่อนอื่นเลยตรองให้เห็นโทษของมันเสก่อนว่าโทษของมันมียังไงพอเห็นโทษแล้วอันที่สองก็ตั้งใจเลิกแล้วอันที่สามเพื่อนขี่เหล้ามีเท่าไหร่ ตัดขาดตัดญาตขาดนิจกันให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เอาเชื้อเอาเชื้อเล่ามาให้เราอีกแนละ้วเหล้าก็เลิกไม่ได้สักทีตัดท่านเลขาดต่อไปอันที่สี่นะไอ้สิ่งใดที่จะเป็นสื่อให้เราเนี่ยเราคิดถึงเหล้าแล้วมากินเล่าอีกอย่าไปไปใกล้มันหี่จะเป็นเเป็นนึกถึงมันหรือจะไปทําเขายกตัวอย่าง บางบ้านนะ่ะเห็นชอบทํากันไอ้ขวดเหล้าตัวอย่างนะ่ะขวดเล็กขวดน้อยมาประดับบ้านกันพลาดกันอย่าไปทำมันกลายเป็นว่าน่นนะเป็นเชือ้อเอาละ่ะตัวเองอาจจะใจแข็งไม่กินเหล้าแต่วาพอลูกหลานมาโตขึ้นมาอ๋อเนี่ยพ่อยังเอาไว้ประดับบ้านปู่ยังไม่ประดับบ้านนะโตขึ้นมาเถอะเราประดับไว้ในตัวเลย อย่าเชื้อขีมเมาเก็บไว้ในบ้านพลาดอย่างนี้ไม่เอาเลิกกันของพวกนี้จะได้เอาเข้าบ้านเสียหายหลายแสนฮเสียหายหลายล้านเจ้าเป็นร้อยร้อยล้านมันก็ถล่มหมดไอ้เล่าพวกนี้ไม่เอานี่ถ้าใครจะเลิกเล่าก็ทำอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือให้นึกถึงศักดิ์ศรีตัวเองให้มาก นึกสักถึงศักดิ์ศรีของตัวเองให้มากกว่าเรานี่ก็สิทธ์มีครูนะเรานี่ก็เป็นชาวพุทธนะพระศ า, าสดาของเราเน่ะสัมมาสัมพุทธเจ้านะห้ามแล้วห้ามอีกนึกถึงครูบาอาจารย์ทึกนึกถึงภาษาสดาของเรานึกถึงชื่อเสียงเกยียรติยศของวงตระกูลของเราเออแล้วมันจะได้เลิกเล่าไปเสะได้ขาดไปนี่ต้องทําอย่างนี้ แล้วหนทางที่ที่ต้องระวังมากที่สุดเลยคือเพื่อนขี้เหล้านั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละตัวดีเมื่อเราออกจากท้องพ่อท้องแม่มาแล้วก็กินเหล้าไม่เป็นนะได้ไอ้เพื่อนพันธ์นพานน่ามาชวนกินเพราะฉะนั้นใครจะเลิกเหล้าได้เด็ดขาดหรือไม่ได้เด็ดขาดข้อสาคัญตัดคนพานด้วยอเพื่อนขี้เหล้าได้เด็ดขาดไหมถ้าตัดมันยังไม่ได้เราก็อย่าหวังเลยว่าจะเลิกได้เด็ดขาดเลิกไม่ได้แร้วอันนี้ขอฝากเอาไว้นะ่ะ ตกลงเป็นอันว่าสําหรับมงคลเรื่องการไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยซึ่งมันไม่เฉพาะไม่ดื่มน้ำเมาเท่านั้นหรอกนะการเสพยาเสพติด ต, ต่างๆให้โทษต่างๆ ก, ก็รวมอยู่ในอันนี้ด้วยก็ขณะนี้เหลือเวลานี่อีกสิบ้านาทีบ่ายสามโมงใครมีข้อข้องใจที่ค้างแต่มงคลต้นๆอยู่ก็ดีหรือในมงคลข้อ น, นี้อยู่ก็ดีต้องการจะถามเชิญเลยไม่ต้องเกรงใจ